วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายภิกษุณีสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือในเบื้องต้น ต้องขอร้องภิกษุณีจากนั้นภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ส่งทราบด้วยยติทุติยกรรมมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้นี่เป็นยติแม่เจ้า ขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้แม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้แม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วง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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งแล้วมอบให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีนั้น